พ อ, อมาเขาละทิ้งกองพวกสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โปนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเขาชื่อว่าเป็นอริยสาวกอยู่ในที่แจ้งความจริงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังห่วงถิ่นคือกามคุณห้าอยู่ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า มาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาฏิโมเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายอักขิเวสนะเพราะอาริยสาวกเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาฏิโมเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เป็นผู้มีปกติเห็นไภ่ในโทษแม้เล็กน้อยสมาธานศึกษาในสึกขาบททั้งหลายได้ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือและถึงภิกษุนั้นละนิวรห้านี้อันเป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิต เป็นเครื่องทอนปัญญาให้ถอยกําลังได้แล้วพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึ่กํำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 ให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการแม้ฉันใดอริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันชื่อว่าผูกใจไว้แล้วกับสติปัฏฐานสีน่นี้เพื่อแก้ไขปกติที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความสับสนที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจที่ผูกพันอยู่กับเรือนเพื่อบรรลุ ย, ยธรรม เพื่อทำให้แจ้งนิพพานตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เถิดแต่อย่าตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวข้องกับกายเลยจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เถิดจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เถิดจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เถิด แต่อย่าตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยเพราะวิตกวิจาร์สงบระ ง, งับไปภิกษุนั้นย่อมบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิบรรลุตติยฌานบรรลุจตุธฌานอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศ จ, จากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันวายอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้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 อยู่จบพรหมจาร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนั้นเป็นผู้อดทนคือมีชาติของผู้อดกลั้นต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายต่อถ้อยคํำที่กล่าวร้ายถ้อยคําที่ใส่ร้าย ต่อทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอันมีในสริระที่เกิดขึ้นแล้วต่อความไม่สำราญต่อความไม่ชอบใจพอจะฆ่าชีวิตได้ภิกษุนั้นกาจัดราคะโทสะโมหะทั้งปวงและกาจัดกิเลสเพียงดังน้ำฝาดได้แล้วเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินา ควรแก่การทําอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอคิเวชนะถ้าช้างหลวงแก่ที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มลงตายย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มอย่างไม่ได้ฝึกถ้าช้างหลวงรุ่นกลางละถึงถ้าช้างหลวงรุ่นหนุ่มที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดลม้มลงย่อมถึงการนับว่า ช้างหลวงหนุ่มล้มอย่างไม่ได้ฝึกแม้ฉันใดถ้าภ um. ิกษุปูนเถระยังไม่สิ้นอาสวะมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนเถระมรณภาพลงอย่างไม่ได้ฝึกถ้าภิกษ enfin ุปูนมชิมะถ้าภิกษุปูนนวกะยังไม่สิ้นอาสวะมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนนวกระมรณภาพลงอย่างไม่ได้ฝึก ฉันนั้นเหมือนกันอคิเวชนะถ้าช้างหลวงแก่ที่ความช้างฝึกดีแล้วหัดดีแล้วล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มอย่างฝึกแล้วถ้าช้างหลวงรุ่นกลางถ้าช้างหลวงหนุ่มที่ความช้างฝึกดีแล้วหัดดีแล้วล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงหนุ่มล้มอย่างฝึกแล้วแม้ชั้นใด ถ้าภิกษุปูนเถระผู้สิ้นอาสะวะแล้วมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนเถระมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วถ้าภิกษุปูนมัชมะถ้าภิกษุปูนนวกะผู้เป็นขีณาศพมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนนวกะมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วชั้นนั้นเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัพภาสิทธิ์นี้แล้วอจิรวตะสมนุตเทศมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลททันตะภูมิสูตรที่ห้าจบ ผูมิเชสูตรว่าด้วยพระภูมิเชข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลวันสถานที่ให้เหยื่กระแตเขขรุงราชครึกครั้นเวลาเช้าท่านพระภูมิเชครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังวังของชยเสนราชกุมารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้ว ลำดับนั้นชยเสน ร, ราชกุมารเสด็จเข้าไปหาท่านพระภูมิชะถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรชยเสนราชกุมารได้รับสั่งกับท่านพระภูมิชะว่าข้าแต่ท่านพระภูมิชะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่ แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ในเรื่องนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชะมีวาทะอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรตรัสสอนไว้อย่างไรท่านพระภูมิชะถวายพระพรว่าพระราชกุมาลเรื่องนี้อาตมาภาพไม่ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลย แต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไมิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้พระราชกุมารเรื่องนี้ อาตามภาพไม่ได้สะดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ชายเสนราชกุมารตรัสว่าถ้าพระศาสดาของท่านพระผู้มิชะมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ตรัสสอนไว้อย่างนี้พระศาสดาของท่านพระผู้มิชะฉโอยจะมีความรู้เหนือสมณพราหมงทั้งปวงแน่แท้ ลำดับนั้นชยเสมราชกูมานทรงอังฆาดท่านพระภูมิชะด้วยพระตาหารในภาชนะอันเป็นส่วนของพระองค์เองเลยทีเดียวครั้งนั้นแลท่านพระภูมิชะกลับจากบินทบาท ภายหลังฉันพัฒหาเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนที่สมควรเดีย ก, กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังวังของชยเสนราชกูมารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้ว ลำดับนั้นชยเสน ร, ราชกุมารเสด็จเข้ามาหาข้าพระองค์แล้วได้ตรัสสนธนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้รับสั่งกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านพระภูมิชะมีสมณพราหมพูพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์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 ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่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 พระศาสดาของท่านพระภูมิชะาชรอยจะมีความรู้เหนือสมณพราหมงทั้งปวงแน่แท้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคําเท็จชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คากล่าวเช่นนั้นและคาที่กล่าวต่อต่อกันมา จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มิชะช่างเถิดเธอถูกถามอย่างนั้นแล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนั้นชื่อว่าผู้ตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตัวเราด้วยคาเท็จชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตาหนิได้ แต่สมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาสังกัปปะมีความดำริผิดเป็นมิจฉาวาจามีการเจรจาผิดเป็นมิจฉากรรมมันตะมีการงานผิดเป็นมิจฉาอาชีวะมีการเลี้ยงชีพผิดเป็นมิจฉาวาามะมีความเพียนผิดเป็นมิจฉาสติมีความระลึกผิดเป็นมิจฉาสมาธิ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 ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันสแสวงหาน้ำมันเที่ยวเสาะหาน้ำมันเกลีย่ยทรายลงในรางแล้วเอาน้ำพรมไปคั้นไป ถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้าพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงไปในรางเอาน้าพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้าพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมัน ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วเกลี่ยทายลงในรางเอาน้ําพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ํามันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้น้ํามันแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์ดาผู้ใดพูกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฐิเป็นมิจฉาสังกปะเป็นมิจฉาวาจาเป็นมิาาจฉ า, ากรรมมันตะ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 แต่รีดนมสดจากเขาโคแม่ลูกอ่อนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วรีดจากเขาโคแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสดถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วรีดจากเขาโคแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสดถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังละถึงถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่ แล้วรีดเอาจากเขาของโคแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้นมสดแม้ฉันใดสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฐิและถึงเป็นมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพรามเหล่านั้นตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์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 ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการเนยข้นแสวงหาเนยข้นเที่ยวเสาะหาเนยข้นเทน้ําลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังเทน้ําลงไปในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็ไม่สามารถได้เนยข้น ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วละถึงถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็ม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ม่ใช่แล้วเทน้ําลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็ไม่สามารถได้เนยนข้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้เนยข้นแม้ฉันใด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 ถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วจึงเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเขาก็ไม่สามารถได้ไฟถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วละถึงถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเขาก็ไม่สามารถได้ไฟ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 มิชะส่วนสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งเป็นสัมมาทิฐิเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมากรรมันตะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาวายามะเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ต ja ั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคาย พวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ภูมิชะเปรียบเหมือนบรุษผู้ต้องการน้ำมันสแสวงหาน้ำมันเที่ยวเสาะหาน้ำมันเกลี่ยแป้งงาลงในรางแล้วเอาน้ำพรมไปคั้นไปถ้าแม้บรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเกลี่ยแป้งงาลงในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็สามารถได้น้ำมันงาถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้ว ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วเกลีย่ยแป้งงาลงในรางเอาน้าพรมไปคั้นไปเขาก็สามารถได้น้ามันงาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้น้ามันงาแม้ชันใดสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 ข้อั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการนมสดสแสวงหานมสดเที่ยวเสาะหานมสดจึงรีดนมสดจากเต้านมของโคแม่ลูกอ่อนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วรีดเอาจากเต้านมโคแม่ลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้ว ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วพึงรี จ, จากเต้านมโคแม่ลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้นมสดแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสัมมาทิฏฐิละถึง เป็นสัม<ส><ส>มาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพรามเหล่านั้นตั้งความหวังแล้วพึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็มีใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการเนยขน้นแสวงหาเนยขน้นเที่ยวเสาะหาเนยขน้นเทนมส้มลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเทนมส้มลงในอ่างพึงกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็สามารถได้เนยขน้น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 แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการไฟสแสวงหาไฟเที่ยวเสาะหาไฟจึงเอาไม้แห้งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเอาไม้แห้งมาทาไม้สีไฟ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 แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ภูมิชะถ้าเธอพึงอธิบายอุปมาเีข้อนี้ให้แจ่มแจ้งแก่ชะยะเสรนราชกุมารได้ชะยะเสรนราชกุมารจะพึงเลื่อมใสเธออย่างน่าอัศจรรย์และชะยะเสรนราชกุมารผู้เลื่อมใสแล้ว จะพึงทำอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสแก่เธอท่านพระภูมิชะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเฉพาะข้าพระองค์จากอธิบายอุปมาสีข้อนี้อันน่าอัศจรรย์ที่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้แจมแจ้งแก่ชยะเสงราชคุมารเหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคได้ตรสภาษิตนี้แล้วท่านพระภูมิชะ มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลภูมิชะสูตรที่หจบเจ็ดอนุรุทธะสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปินิกะเศรษฐีเคครุงสาวถีครั้งนั้นแหลช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเรียกชายคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญเธอจงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ กราบเท้าท่านด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราแล้วกราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญช่างไม้ปันจกกังคะกราบเท้าท่านพระอนุรุท ธ, ธะด้วยเสียงกล้าวแล้วจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านพระอนุรุทธะโปรดนับตนเองเป็นรูปที่สี่นิมนต์รับพัตหารของช่างไม้ปันจกกังคะในวันพรุ่งนี้และขอพระคุณเจ้า โรดมาแต่เช้าเช้าเพราะช่างไม้ปันจกังคะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำทางราชการมากชายคนนั้นรับคำแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่กราบแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอนุรุทธะว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญช่างไม้ปันจกกังคะกราบเท้าพระคุณท่านด้วยเสียงกล้าว และฝากมากราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านพระอนุรุทธะโปรดนับตนเองเป็นรูปที่สนิมนต์รับพัะตาหารของช่างไม้ปันจกกังคะในวันพรุ่งนี้และขอพระคุณเจ้าโปรดไปแต่เช้าเช้าเพราะช่างไม้ปันจกกังคะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำทางราชการมากท่านพระอนุรุทธะ รับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นเวลาเช้าเมื่อล่วงราตรีนั้นไปท่านพระอนุรุท ธ, ธะครองผ้าอันตรวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของช่างไม้ปัญจ ก, กังคะแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นช่างไม้ปัญจ ก, กังคะถวายของเคี้ยวของฉันอันประนีต แก่ท่านพระอนุรุทธะจนอิ่มน้ำสาราญด้วยตนเองพอเห็นท่านพระอนุรุทธะฉันเสร็จและมือออกจากบาทแล้วจึงนั่งหน้าที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญภิกษุผู้เทระทั้งหลายเข้ามาหากระผมในที่นี้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าข้าหาบดี ท่านจงเจริญเจโตวีมุตต์อันหาประมาณมิได้เถิดพระเทระบางรูปกล่าวอย่างนี้ว่าขหาบดีท่านจงเจริญเจโตวีมุตต์ที่เป็นมหาคตะเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญทำสองประการนี้คือหนึ่งเจโตวีมุตต์อันหาประมาณมิได้ 2. เจโตวิมุตต์ที่เป็นมหาคตะ มีอาจต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันอย่างไรหรือว่ามีอาจเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นขหาบดีถ้าเช่นนั้นท่านนั่นแหละจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งท่านจะได้ปฏิบัติไม่ผิดจากเรื่องนี้พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าทําเหล่านี้คือหนึ่ง เจโตวิมุตต์อันหาประมาณมิได้สองเจโตวิมุตตที่เป็นมหคตะมีอัดเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นขหาบดีทำสองประการนี้คือหนึ่งเจโตวิมุตต์อันหาประมาณมิได้สองเจโตวิมุตต์ที่เป็นมหคตะมีอัดต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันท่านพึงทราบความต่างกันนั้น โดยวิธีที่ทำเหล่านี้มีอัดต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันโดยเหตุผลต่อไปนี้เจโตวิมุตอัหาประมาณมิได้เป็นอย่างไรเือพิสุในพระธรรมวินัยนี้